ตั้งเป้าเอาความคิดที่เป็นมิตรคนส่วนใหญ่มีความคิดเป็นศัตรูของตนเองคอยกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีมีสุขหรืออีกทีพอมีความทุกข์ก็ปิดกั้นทางออกเสียอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นรู้รู้อยู่ว่าทำอะไรพูดแบบไหนแล้วคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวจะอึดอัดอยากออกหา่าง ก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทรรมต่อไปอุตสาหพูดต่อไปด้วยความรู้สึกอยากแสดงอํานาจหรือคิดว่าถ้าไม่เป็นฝ่ายขม่มเสียก่อนก็มีสิทธิ์เป็นฝ่ายถูกกดขี่ได้หรืออย่างเช่นรู้ทั้งรู้ว่ากำลังเต็มไปด้วยปมทุกมีปัญหาทางใจอยู่ชัดๆแต่ก็เฝ้าบอกคนอื่นว่าตัวเองดีอยู่แล้ว หรือไม่ก็หลอกตัวเองว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรคนอื่นต่างหากที่ต้องปรับปรุงตัวชีวิตตนจะได้ดีขึ้นกว่านี้หรืออย่างเช่นรู้ด้วยสามัญสำนึกอยู่แล้วว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดีควรยกเอาอารมณ์บวกมาเป็นตัวตั้งแต่ในทางปฏิบัติมักสั่งสมความเคยชิน ที่จะตามใจตัวเองในการยกเอาอารมณ์ลบมาเป็นจุดออกตัวจึงเสียนิสัยติดล็อกอยู่กับความคิดทำนองเป็นไงเป็นกันวิธีฆ่าศัตรูทิง้งบางทีก็ง่ายๆแกเริ่มฝึกตนให้ฉลาดขึ้นตระหนักว่าความคิดในหัวมีทั้งมิตรและศัตรู จากนั้นก็ตั้งข้อสังเกตยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเห็นศัตรูเป็นศัตรูเห็นมิตรเป็นมิตรถ้าไม่สำรวจตนไม่แยกแยะไวล้ลวงหน้าว่าความคิดได้เป็นศัตรูวูบของอารมณ์แรงๆจะชวนให้คุณมองว่าศัตรูร้ายคือมิ่งมิตรแต่หากสำรวจทบทวนตนเองและแยกแยะไว้ชัดๆว่า ความคิดใดเป็นศัตรูสติจะทำงานทันทีที่ศัตรูมาไม่ปล่อยให้ศัตรูยึดครองครอบงำจิตโดยง่ายคุณจะแปลกใจว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเพียงไม่กี่วันที่แยกยะออกว่าความคิดแบบใดคือศัตรูความคิดใดคือมิ่งมิด ตั้งเป้าเอาเสียงบอกทางเสียงด่าทอกับเสียงบอกทางแตกต่างกันมากแปลกแต่จริงคือคนส่วนใหญ่แยกไม่ออกและควยแขวเพียงเพราะรับเสียงด่าทอมาทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับทางเลือกที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดเสียงด่าทอเกือบร้อยทั้งร้อยมาจากคนที่เห็นแค่อะไรไม่ดี ทางนี้ไม่ใช่ใครเดินแปลว่าผิดหรือไม่ก็เป็นคนเลวร้ายไปเลยและเมื่อเห็นใครไม่ดีหรือคิดผิดก็ถือสิทธิ์ด่าทอเข้าได้ด้วยโทรศัพท์ด้วยถ้อยคําอันเผ็ดร้อนเจตนาเพียงเพื่อให้เจ็บใจไม่ใช่เพื่อหวังว่าจะช่วยให้ใครดีขึ้นส่วนเสียงบอกทางนั้น มักมาจากคนที่เห็นหมดแล้วทั้งทางดีและทางร้ายเห็นว่าทางนี้มาจากไหนอีกทางเริ่มจากที่ใดเลี้ยวซ้ายขวาจะไปจบที่ยอดเขาหรือหุบเหวเห็นใครหลงทางก็อยากช่วยให้เข้าสู่ทางออกเห็นใครเดินผิดก็คิดบอกทางถูกให้ทันทีและเมื่อตั้งต้นด้วยเมตตาถอยคําย่อมไม่ระขายโสด ใครฟังก็รู้สึกว่าเป็นเสียงที่ช่วยให้อะไรๆดีขึ้นไม่ใช่เสียงที่ซ้ำเติมให้อะไรๆแย่ลงโลกออนไลน์มีทั้งเสียงด่าทอและเสียงบอกทางมากกว่าโลกแห่งความจริงที่เห็นหน้ากันเพราะในโลกความจริงคนเรามักแอบคิดด่ากันอยู่ในใจขี้เกียจพูดให้เกิดเรื่องเกิดราวหรืออยากบอกทาง แต่ไม่กล้าพูดก้าวไกลเกรงจะโดนหาว่าแสเสนอหน้าไม่เข้าเรื่องขณะที่โลกออนไลน์คือโลกที่อนุ ญ, ญาตให้พูดจึงพูดกันเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจไม่ว่าจะมาจากเจตนาดีหรือร้ายแม้จะเป็นเพียงโลกออนไลน์ถ้าคุณแยกแยกออกว่าที่ไหนมีเสียงด่าทอมากที่ไหนมีเสียงบอกทางเยอะ เราเลือกโคจรเฉพาะที่มีเสียงบอกทางออกห่างจากที่ที่มีเสียงด่าทอก็ถือเป็นการฝึกรู้จักคัดกรองแล้วและใช้ได้จริงไม่ว่าจะในเน็ตหรือนอกเน็ตตั้งเป้าหมายให้กับวันว่างการใช้ความคิดคือการใช้ประโยชน์จากความเป็นมนุษย์ ส่วนการปล่อยใจค้งส่านคืออาการอันเปล่าประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไปการใช้ความคิดเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลระบบความคิดแบบมนุษย์จะยังไม่ทำงานแต่เข้าโหมดสุ่มพลานไปในอารมณ์หรือแช่จมอยู่กับอารมณ์ทุกอารมณ์สุขค้างปี วิธีจุดชนวนระบบความคิดแบบมนุษย์ให้ทำงานอาจเริ่มด้วยการพิจารณาความจริงทางจิตตาลคณะให้เห็นว่าถ้าจิตไม่ได้รับคำสั่งให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ก่อนจะมีความแน่นอนในการวก ว, วนคิดถึงสิ่งที่ติดใจที่สุดเป็นอันดับแรกหากสิ่งที่ติดใจนั้นปล่าประโยชน์ไร้สาระหรือกระทั่งกดให้จมอารมณ์ทุกอารมณ์เศร้า ทำอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้ก็เท่ากับปล่อยชั่วขณะนั้นของชีวิตให้กับความสูญเปล่าไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใดในโลกที่เรามองว่าไร้ค่าต่อเมื่อคนพบว่าแม้จะอยู่ว่างๆนั่งเฉยเพื่อรอเวลายืนโหนบนรถไฟฟ้าหรือทำธุระในห้องน้ำก็ตามแค่ถามตัวเองว่า กำลังคิดอะไรอยู่หรือคิดแล้วได้คําตอบไหมหรืออะไรดีขึ้นบ้างจากความคิดแบบนี้คำถามชี้นำเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าไม่รู้สึกขึ้นมาแรงพอจิตจะยอมตัวจมอยู่ในความฝันทั้งลืมตาต่อไป หลังจากรู้สึกตัวแล้วหากพยายามคิดแก้ปัญหาเก่าๆหรือพยายามคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆแล้วพบว่าเป็นเรื่องยากเพราะกำลังอยู่ห่างโต๊ะทำงานไม่มีแผนภาพในกระดาษเป็นเครื่องช่วยก็อาจหันมาลองตั้งเป้าใหม่ที่ฉีกแนวไปกว่าเดิมเช่นคิดถามตัวเองเล่นๆว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก หรือรู้ลมเข้าออกแล้วรู้สึกตัวดีขึ้นหรือแย่ลงหรือรู้ว่าลมสั้นบ้างยาวบ้างแล้วฟุ้งซ่านน้อยหรือมากหรือรู้ลมนานๆแล้วมีความสุขทางใจมากขึ้นไหมคำถามชี้นำเหล่านี้เปลี่ยนวันว่างแบบไม่มีอะไรทำ ให้กลายเป็นวันที่ใจว่างเปล่าจากความฟุ้งซ่านได้